ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำภีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตาจารย์ชาวสีลังการรจนาต่อไปจะเป็นการพนานามหาพุทศลักษณะสาริจองประการซึ่งเหตุที่ทำให้เกิดมหาพุทธลักษณะแล้วก็ อ น, นิสงฆ์แห่งลักษณะเหล่านี้มหาปริษลักษณะสามิบสองประการนี้ท่านกล่าวแสดงส่วนสี่ส่วนนี้คือกรรมหนึ่งผลที่พึงเห็นสมกับกรรมหนึ่งพระลักษณะหนึ่งอ น, นิสงฆ์แห่งพระลักษณะหนึ่งในพระลักษณะแต่ละข้อเป็นอันกล่าวไว้ดีแล้วดังนั้นข้าพเจ้าขอแสดงเพียง ที่พอจำได้ในพระลักษณะเหล่านั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏในครั้งก่อนได้เป็นผู้สมท า, านกุศลกรรมบท1สดประการอย่างมั่นคงในอัตภาพอัหาที่สุดมิได้ใครๆจะเป็นสมณะพรามเทวดามารหรือพรมก็ไม่สามารถจะบังคับให้พระองค์สละการสมท า, าน กุศลได้เพราะการสมาานอย่างมั่นคงนั้นพระองค์ได้บังเกิดในสวรรค์เหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นด้วยอายุทิพย์วั น, นะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่ททนทิพย์อดัะอัติทิพย์เสวยสวรสวรคสมบัติตลอดกาลอันกำหนดมิได้จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้ทรงเป็นผู้มีพระบาทราบเสมอกันข้าศึกภายในมีราคะเป็นต้นหรือข้าศึกภายนอกมีสมณะพราหมณ์เป็นต้นก็ค่มขู่พระองค์ไม่ได้ไม่ว่าในการไหนไหนเพราะฉะนั้นเหตุของการที่มีพระบาทราบเสมอกันก็คือการที่สมาทา น, านกุศลกรรมบทมาอย่างมั่นคงทําให้ศัตรูใดๆก็ไม่สามารถจะพ้องผ่านไม่ว่าจะเป็นศัตรูภายใน หรือว่าศัตรูภายนอกก็ตามกรรมผลที่พึงเห็นสมกับกรรมพระลักษณะอานิสงค์แห่งพระลักษณะเป็นอันได้กล่าวอธิบายแล้วด้วยคำมีประมาณเท่านี้ในกรรมเป็นต้นนั้นที่ชื่อว่ากรรมคือกรรมที่ทรงกระทําอย่างมั่นคงเหนียวแน่นตลอดสี่อสงไข่หนึ่งแสนกับที่ชื่อว่าผลที่พึงเห็นสมกับกรรมคือมหาบุริสลักษณะ ที่มีพระบาทราบเสมอกันบังเกิดขึ้นดุจจะบอกว่าขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงทราบความที่เรากระทำกุศลกรรมอย่างมั่นคงที่ชื่อว่าพระลักษณะคือความที่พระองค์ทรงมีพระบาทราบเสมอกันที่ชื่อว่าอานิสงค์แห่งพระลักษณะคือความที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ค่าศึกทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ในพระลักษณะทั้งหมดก็ปึงทราบอย่างนี้ ที่แสดงไว้อย่างละเอียดก็มีในพระพุทธพจน์แล้วก็ทั้งอัตถกาในลักษณะสูตรในลักษณะสูตรนะทีขัณิกายในปาติกวัตรนะในปาติกวัตรจะแสดงลักษณะสูตรแล้วมันก็จะแสดงถึงมหาปุริสรลักษณะสามทองประการแล้วก็เหตุก็คือกรรมเนี่ยดีดแล้วก็ผลก็มี ลักษณะอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างไรนะแสดงรายละเอียดในที่นั้นในที่นี้ท่านกบอกว่าท่านจะยกมาเพียงพอที่จะทําได้เท่านั้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในการก่อนทรงเป็นผู้นําความสุขมาให้แก่ชนจํานวนมากทรงบําบัดความหวาดเสียวความสะดุ้งความกลัวทรงเป็นผู้จัดแจงการรักษาการป้องกันการคุ้มครองอันชอบธรรมได้ทรงให้ทานพร้อมสิ่งของบริวารพระกรรมนั้น พระองค์จึงได้เสวยสุขในสวรรค์สิ้นการอันกำหนดมีได้ได้ทรงมีพื้นฝ่าพระบาทมีจักรในการนั้นทรงมีบริวารมากพิตรุพิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคนทันได้เป็นบริวารของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นําแห่งโลกในการก่อนได้ทรงเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบา ทรงเป็นผู้เกื้อกูลและอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงพระเหตุนั้นม ห, มหาบุรุษมหาปุริสลักษณะสามประการนี้จึงเกิดแก่พระผู้มีพระพเจ้านั้นคือมีต้นพระบาทที่ยื่นยาวออกไปมีพระองค์คุริยาวมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพมพระผู้มีพระพเจ้าทรงมีพระชนมายุจืนฆ่าศึกศัตรูคนไหนก็ไม่สามารถจะโปร่งพระชนใน ในการระหว่างพระชนม์ชีพได้นี่ก็เป็นอนิสงของการที่มีมหาบุริสลักษณะสาสามประการนี้นะจากการที่เป็นผู้หงดเบ้นจากรปานอาทิบาสส่วนการที่ทรงนําความสุข ain, มาให้แก่ชนจํานวนมากนั้นน่ะพร้อมทั้งการให้ทานพร้อมทั้งสิ่ของเบริบวรก็ทาให้เกิดมหาบุริสลักษณะก็คือได้ทรงมีฝ่าพระบาท ม, ม, มีลายจักแล้วก็ทําให้มี อันอีกสรงก็คือบริวารมากต่อไปพระองค์ทรงเป็นผู้อธิบายโลกทั้งเป็นผู้ให้โภชนะอันประณีตมาแต่ปางก่อนแล้วพระเหตุนั้นพระองค์จึงมีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ทรงได้โภชนะอันประนีตพระองค์ทรงเป็นใหญ่ในโลกนนี้ก็ด้วยอันอีกสมการที่มีมังสะเจ็ดแห่งบริบูรณ์ก็จะได้โภชนะประนีตด้วย ทรงเป็นใหญ่ในโลกด้วยได้ทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังข a วัตถุคือด้วยการให้ด้วยการกล่าวคําเป็นปิยวาจาวาจานเป็นที่รักด้วยการประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์หรือการวางตนเสมอมาแต่ปางก่อนเพราะเหตุนั้นมหาปุริษลักษณะสองขการนี้จึงเกิดขึ้นแก่พระองค์คือฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทมีลายตะข่ายอย่างหนึ่งมีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มอย่างหนึ่ง และทรงได้รับอ น, นิสงส์งนี้ก็คือการสงเคราะห์จากประชาชนรอบด้านก็จะมีประชาชนทั้งหลายคอยสงเคราะห์นอบน้อม บ, บูชาสักการะพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำแสงสว่างแก่โลกในการกรได้ทรงกล่าววาจาประกอบด้วยอัดและธรรมแก่มหาชนทรงนำประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายทรงเป็นผู้บูชาธรรมเพราะเหตุ น, นั้นมหาบุรีลักษณสะสงประการนี้ จึงเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือมีข้อพระบาทสูงมีพระโลมามีพระโลมาชาติปลายงอนขึ้นและทรงได้รับอันนี้สงนี้คือทรงได้เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นประทีปโดนเดียวในโลกในการก่องสอนศิลปะวิทยาหรือวิชาโดยความเคารพด้วยคิดว่า ชนเหล่านี้จะพึงรู้ศิลปะวิทยาเร็วพลันจะพึงปฏิบัติโดยชอบเร็วพลันได้อย่างไรเพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงมีพระชงดุดแท่งเนื้อรายแล้วก็ได้รับอนิสงค์คือได้รับเครื่องอุปโภคของสมณะอันสมควรแก่สมณะอย่างเร็วพลันพระองค์พระองค์ทรงเป็นในตาดวงเดียวของโลกในการกร ทรงเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรซ่องเสพอะไรไม่ควรซ่องเสพอะไรข้าพเจ้ากระทําจึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรืออะไรข้าพเจ้ากระทําจึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรง ม, มีชวีละเอียด และต้องมีปัญญามากก็เป็นผู้ที่นอบน้อมเข้าไปซักถามด้วยเหตุผลแก่สัมณฑ์เหล่าอื่นก็เลยทําให้เป็นผู้ที่มีความละเอียดด้วยผิวพรรณด้วยมีปัญญามากด้วยในบรรดาสัตว์ทั้งปวงนั้นไม่มีใครที่จะมีปัญญาเหมือนกับพระองค์ก็ได้รับไอสง่งก็คือมีปัญญามากพระองค์ทรงเป็นเอกบุรุษในโลกในการก่อน ทรงเป็นผู้ไม่โกรธไม่ทรงมีความตรอมพระไยัยไม่น้อยใจแม้จะถูกผู้อื่นว่ากล่าวอย่างมากก็ไม่ทรงเกลี้โกรธทรงเป็นผู้ให้เครื่องราชและผ้าหม่มอันละเอียดอ่อนนุ่มเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีพระฉวีสีทองและทรงได้รับเครื่องราชและผ้าห่มเป็นต้นอันละเอียดอ่อนนุ่มนี่ก็เป็นอนิสงฆ์นะพระองค์ทรงเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์โลกในการกอา ได้ทรงสมานไมตรีญาติมิตรและเพื่อนที่มีใจดีที่อยู่ห่างไกลชักนําให้สามัคคีกันทรงชื่นชมยินดีเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักก็คือมีอวิวะเพศชายเนี่ยซ่องเร้นอยู่เมื่อมีกิจจะต้องทําแล้วจึงจะอะปรากฏและทรงมีพระชิวหาใหญ่ยาวพระองค์ทรงมีพระไทยกรุณาในการกอน ทรงมุ่งสงเคราะห์มหาชนทรงกระทำสการะอันสมควรแก่บุรุษวิเศษด้วยคิดว่าบุรุษนี้ย่อมควรซึ่งสการะนี้เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมาตามพร้อมด้วยมหาบุริสลักษณะสองประการนี้คือมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรทรงประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูกคำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ และทรงมั่นคงมีทรัพย์มากมีโพคะมากพระองค์ทรงเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาในการก่อนก็อ น, นิสง์ของการที่มีมหาปริศลลักษณะสองประการนี้ก็ทําให้มีความมั่นคงมีทรัพย์มีโพคะมากแล้วก็รุ่งเรืองด้วยปัญญาด้วยในการก่อนทรงเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์แก่มหาชนด้วยทรงดําริว่า ชนเหล่านี้จะพึงเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาด้วยทรัพย์คือข้าวเปลือกด้วยยอดมิตรอย่างไรเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีมหาปุริสลักษณะสามประการนี้คือมีพระวรกายส่วนบนดุจกายของราชสีมีร่องพระปิตดางเต็มเสมอกันมีลำพระศอกลมเท่ากันและทรงเป็นผู้มีธรรมไม่เตือม ก็มีความสมบูรณ์โดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงค์ของพระลักษณะนี้พระองค์ทรงเป็นทะเลแห่งคุณในการกรรทรงมีพระนิสัยไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงมีเส้นพระประสาทรับพระกยายฐารได้ดี รับรถพระกรยาหารได้ดีและทรงมีอาพาธน้อยอันนี้ก็เป็นอนิสงค์ของการที่มีเส้นประสาทรับพระกยาหารได้ดีก็ทําให้ป่วยไข้ได้เจ็บน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีดวงพระเนตรเป็นที่พอใจของประชาชนในการกรเจพระองค์ได้ทรงมองดูมหาชนด้วยดวงตาแสดงความรักเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงมีมหาบุริษลักษณะสองประการนี้คือมีดวงพระเนตรดาสนิท มีดวงพระเนตรดุจตาของลูกโคะทรงเป็นผู้มีประชาชนเห็นว่าเป็นที่รักไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่บูชาสักการะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นดวงประทีปส่องธรรมในการก่อนพระองค์ได้ทรงเป็นผู้นำมหาชนในกุศลธรรมพระเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระทัก์ และชนจำนวนมากได้เป็นผู้ติดตามพระองค์ก็คือมีบริวารมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระอัธยาศัยบริสุทธิ์ในการก่อนพระองค์ได้เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาสเป็นผู้กล่าวคาสัตย์เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีมหาปรุศลักษณะสองประการคือมีพระโลมชาติเดียวมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนง และชนจำนวนมากประพฤติตามพระองค์ก็มีผู้คล้อยตามอนุโลมก็คือคล้อยตามนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีพระเนตรสามดวงทอดพระเนตรดูโลกทั้งสามในการก่อนทรงเป็นผู้มดเว้นจากการกล่าวส่อเสียดทรงเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ชนผู้แตกกันทรงเสริมชนผู้สามะคีกันทรงเป็นผู้มีชนที่สามะคีเป็นที่ยินดีทรงยินดีในชนที่สามะคี ทรงเพลิดเพลินในชนที่สามัคคีทรงกล่าววาจาที่กระทําให้เป็นผู้มีความสามัคคีเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีมหาปุริสลักษณะสองประการนี้คือทรงมีพระทนสี่สิบซี่ทรงมีพระทนไม่ห่างกันและทรงมีบริษัทไม่แตกแยกเพื่อผู้มีพระพากเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงในการก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวคำหยาบ ทรงกล่าววาจาเป็นที่รักจับใจมหาชนพอใจเพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงทรงมีมหาุริษลักษณะสองประการนี้คือทรงมีพระชิวหาใหญ่ยาวทรงมีพระสวรเสียงดดเสียงพร่ำและทรงมีถ้อยคาที่ประชาชนเชื่อถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ น, นั้นทรงเป็นที่พึ่งผู้เดียวในโลกทรงเป็นที่พึ่งผู้เดียวของโลก ในการก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวคำเพ้อเจอ้อทรงเป็นผู้มีปกติกล่าวถูกกาลกล่าวเรื่องจริงกล่าววาจามีหลักฐานเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมีพระหานุดุดคางราชสีและไม่ตรงถูกฆ่าตึกภายในภายนอกรบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นแสงสว่างในโลกในการก่อนพระองค์ทรงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ทรงละมิฉาอาชีวะแล้วทรงเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนับพันอัตภาพอันหาที่สุดมิได้ทรงงดเว้นจากการโกงด้วยด้วยตราช่างการโกงด้วยโลหปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไปบังเกิดในสวรรค์เหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นด้วยอายุทิพวรรณทิพสุขทิพยศทิพอทิปไตทิพ ร, รูปทิพเสียงทิพ ลินทิพย์รถทิพย์สัมผัสทิพย์เสวยสวรรคสมบัติตลอดการกำหนดมิได้แล้วสเสด็จมาทรงมีพระมหาปุริสลักษณะสองประการนี้คือทรงมีพระทนเรียบเสมอกันทรงมีพระเขี้ยวแก้วงามและทรงมีบริวารเป็นคนบริสุทธิ์กรรมผลที่พึงเห็นสมกับกรรมพระลักษณะอานิสงค์แห่งพระลักษณะแห่งมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการ เป็นอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วโดยอาการทั้งปวงด้วยถ้อยคำประมาณเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมาตามพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการนี้ที่ชื่อว่าอนุพยัญชนะแปดสิบประการได้แก่พระอนุพยัญชนะแปดสิบประการนี้คือหนึ่งจิตังคุลิตานิ้วพระหัตและนิ้วพระบาทงาม สองอนุปุก บ, บังคุลิตานิ้วประหัตและนิ้วประบาทเรียวออกไปโดยลําดับสามวัดตังคุลิตานิ้วประหัตและนิ้วประบาทกลมสี่ตังพระนัตาตังพระนัตาพระนขาทั้งยี่สิบมีสีแดงห้าตังคนัคตาขอโทษครับ ห้าตุงขนขาตาพระนขาก็คือพระหัตถ์ทั้งสิงอนงามหกสินิทะนขาตาพระนขามีพันเกลี้ยงกลมสนิทเจ็ดนิคูรหะโคพะกะตามีข้อพระหัตถ์และข้อพระบาทซ่อนอยู่ในพระมังศแตสมมาตาดาตาพระบาททั้งสองเสมอกันเก้า ขะชะสมานต์กามตาเสด็จดำเนินงามดุจอาการเยื้องกลายแห่งกุณชรชา10สีหะสมานต์กรมตาเสด็จดำเนินงามดุจอาการเยื้องกลายแห่งราชสี11หังสะสมานต์กรมตาเสด็จดำเนินงามดุจอาการเยื้องกลายแห่งหง12อุสพะสมานต์กรมตา เรเด็ดดำเนินงามดุจอาการเยื้องกายแห่งโคอุตพระราช13นักคินาวัตตะคติตาขณะเมื่อประทับยืนจะย่างดำเนินยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อนพระกายเยื้องไปข้างเบื้องขวา14สมันตะโตจารุชานุมันดาตาพระชานุมณฑลเกลี้ยงกลมงามบริบูรณ มีได้เห็นอัถิสบ้าปรากฏออกมาภายนอกสิบห้าปริปุณะปุริสสบยัญชนะตามีปุริสสบพยัญชนะสมบูรณ์สิบหกอัดฉิตนาพิตาพระนาทีมีได้บกพร่องกลมงามมีได้วิกลในที่ใดที่หนึ่งสิบเจ็ดคำพีระนาพิตาพระนาทีมีสันฐานอันลึกสิบแปด ทักษินาวัฒนาพิตาภายในพระนาภีมีรอยเวียนขวาเป็นทักษินาวัตก็คือสเสดือนะสิบเก้าทวิระดะกะรสศดิสะอูรุพุชะตาลำพระเพาทั้งสองกลมงามดุดงวงช้างพลายยี่สิบสุวิพัตตะคัตตะตาพระอังคาพยบใหญ่น้อยจำแนกเป็นอันดียี่สิบเอด อนุปุบะคตตาตาพระอังคาพยพงามสมกันโดยลําดับยี่สิบสองมัตตคตตาตาพระอังคาพยพงามเกลี้ยงเกลายี่สิบสามอนุสันน า, นานุอนุสันนา น, านุสันนัสัปปะพคตตาตาพระอังคาพยพทั้งปวงที่ไม่ควรหนาก็ไม่หนายี่สิบสี่อลีนะ คตตตาพระอังคารยบมีได้หัวเทียวยี่สิบห้าติลากาดิวิระหิตคัตตาตาพระสรีรากายทั้งปวงปราศจากต่อมและไฝปานมูลแมงวันยี่สิบหกอนุปุปบรุจิระคัตตาตาพระอังคารยบงามน่ารักเป็นลำดับยี่สิบเจ็ดสุวิสุทธคัตตาตาพระวรากายงามบริสุทธ์พร้อมสิน้นยี่สิบแปด โกติสหัสะหัตทะภะธารณตาทรงพระกำลังมากเสมอด้วยกำลังแห่งกุญชรชาติประมาณหนึ่งพันโกดช้างช้างปกติหนึ่งพันโกดตัวยี่สิบเก้าตุงนาสตามีพระนาศิกสูงโด่งสามสิบสุรตตะดะวิชะมังสตามีพระมังสะสองข้างสีแดงสามสิบเอ็ด สุทธะดันตตามีพระทนสะอาดสามสิบสองสินิทะดันตตามีพระทนเกลี้ยงสนิทสามสิบสามวิสุทธินดริยตาทรงมีพระอินทร์สีบริจดสามสิบสี่ 34, วัตตดาตตาทรงมีพระเขี้ยวทั้งสี่กลมสามสิบห้ารัตตโอตธตาพระโอสถสีแดงสาสิบหกอายะตะวัณนตา ดวงพระพักมีสันฐานยาวสามสิบเจ็ดธัมพีระตานิเลคตาลายพระหัตมีรอยลึกสามสิบแปดอายตะเลเคตาลายพระหัตมีรอยยาวสามสิบเก้าอุชุกะเลเคตาลายพระหัตมีรอยตรงสี่สิบสุรุจิระสันฐานะเลเคตาลายพระหัตมีสันฐานงามสี่สิบเอดปริมันตะกายยับปภาวนาตา รัศมีแผ่ออกจากพระวรกายเป็นวงกลมเป็นเป็นวงรอบ42ปริปุนนกะโประตากระพุ้งกระปลางทั้งสองบริบูรณ์43อายตะวิจาละเนตตากระบอกพระเนตรกว้างยาวงามพอสมกัน44ปัญจประสาดวันตะเนตตาดวงพระเนตรมีประสาททั้งห้า45 อากุลจิตตคพระมุขตาปลายเส้นพระโลมามิได้งอมิได้คดสี่สิบหกมูทุตะนุกรัรตชิวหตาพระชิวหาอ่อนมิได้กระด้างมีสีแดงสี่สิบเจ็ดอายตะรุจิรกันนตาพระกันทั้งสองยาวงามสี่สิบแปดนิคันธิศิรตาระเบียบพระเส้นสละสลวยมิได้ขอด สี่สิบเก้านิคูระหะสิรตาแถวพระเส้นซ่อนอยู่ในพระมังส์มีได้ปูขึ้นห้าสิบวัตตะชัตตะนิพระจารุสีสตาพระเสียนสันฐานงามดุจฉัดกลมห้าสิบเอ็ดอายตะปุถุละนะลาตะโสภตาพระนลราดมีสันฐานงามกว้างยาวพอสมกันห้าสิบสอง ตุสันฐานะพระมุกตตาพระขนงมีสันฐานงามห้าสิบสามสันหะพระมุกตตาพระโลมาขนงเส้นละเอียดห้าสิบี่อนุโลมะพระมุกตตาพระโลมาขนงรามตามลำดับห้าสิบห้ามหันตกพระมุกตตาพระขนงใหญ่ห้าสิบหก อยตะพระมุกตตาพระขนงยาวสุดพระเนตรห้าสิบเจ็ดสุกุมาลคัตตามีผิวพระมังสะละเอียดทั่วพระวรกายห้าสิบแปดอติวิยะโสมคัตตาพระวรกายอ่อนช้อยอย่างยิ่งห้าสิบเก้าอติวิยะอุจชลิตตะคตตาพระวรกายรุ่งเรืองอย่างยิ่งหกสิบวิมลคัตตาพระวรกายมิได้มัวหมอง ผ่องใสอยู่เป็นนิดหกสิบเอ็ดโกมะละคัตตตาพระสรีรากายสดชื่นดุจ ด, ดวงดอกปธุมชาติหกสิบสองสินิทะคัตตตาพระสรีรากายมีสัมผัสอ่อนนุ่มสนิทหกสิบสามสุขันทะตะนุตาพระวรากายกลิ่นหอมฟุง้งหกสิบสี่สมะโลมาตาเส้นพระโลมาเสมอกันหกสิบห้า โกมะะโลมาตาเส้นพระโลมาสดชื่นบุดช่อดอกปฐุมชาติหกสิบหกทักษิณาวัตโลมาตาเส้นพระโลมาเวียนเป็นทักษิณาวัตหกสิบเจ็ดพินนัญชนะสติสเีละโลมาตาเส้นพระโลมาสีเขียวดุดดอกอันชันที่ถูกขยี้หกสิบแปดวัตโลมาตาเส้นพระโลมากลมหกสิบเก้าสินิทะโลมาตา เส้นพระโลมามีสัมผัสนุ่มสนิท70อติสุขุมอัศะปัสสะธ า, ารณตาลมอัศสสะปัสสะเข้าออกก็เดินละเอียด71สุขันธมุขตาพระโอทมีกลิ่นหอม72สุขันธมุนธนะตาพระเสียนมีกลิ่นหอม73สุนีละเกตตาพระเกษาดำเป็นแสง74 ดำเป็นแสงก็คือดำเป็นเงานะ74ดัชกินาวัตเตเกตตาพระเกศาเวียนเป็นทักษินาวัต75สุสันถานาเกตตาพระเกศามีสันฐานเส้นกลมสวย76กลมสวยก็คือกลมสลวย76สิณิ tha เกตตาเส้นพระเกศาดำสนิท77สันหเกตตาเส้นพระเกศาละเอียด เจ็ดสิบแปดอะลุลิตะเกสตาเส้นพระเกศาไม่ยุ่งเหยิงเจ็ดสิบเก้าสมะเกสตาพระเกศาเสมอกันแต่ติดโกมะะเกสตาพระเกศาสดชื่นดุจ ช, ช่อดอกปธุมชาติวิจิตไปด้วยระเบียบ พ, พระเกตมาลาพระมหาบุรุษทรงงดงามด้วยพระรูปที่รุ่งเรืองด้วยพระอนุพยชนะแปดตินี้ ด้วยพระลักษณะที่งดงามรุ่งเรืองและด้วยขายพระเกตมาลาที่รุ่งเรืองเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกลาวว่าข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระมหาบุรุษพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระอนุพยัญชนะแ0ติดบริบูรณ์ด้วยพระลักษณะอันงดงามปรากฏชัดผู้ทรงงดงามด้วยพระรูปที่รุ่งเรืองด้วยประกายแห่งพระเกตมาลาอันรุ่งเรือง พันานามงคลของพระโพธิสัตว์ผู้ประทุนแล้วในคมภีชินาลังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชน้ต่อไปก็จะเป็นการพันานาสมบัติของพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงอยู่ในคารวะวิสัชนี้ซึ่งก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็สมำกุลกับเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่พุทธศาสนา ที่ทําบุญไว้แล้วในปางก่อนที่มีโอกาสได้เกิดในภูมิระทศาสนาได้เกิดเป็นมนุษออย์อวัยุวะไม่บกพร่องบริบูรณ์ทั้งตาทั้งหูมีโอกาสได้เห็นพระรัตนตรยัยมีโอกาสได้ฟังคําสอนจากพระสมมาสามบุรุเจ้าถึงแม้จะไม่เห็นพระวรกายของพระสมมาสามบุรุเจ้าแล้วก็ยังได้ฟังความเป็นไปของพระวรกายของพระสมมาสามบุรุเจ้าก็คือมหาภุริสลักษณะสามที่สพการและก็อนุพยัญชนะ แปดสิบปการเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้บุญในอดีตเป็นปัจจัยที่จะทําให้ก่อเกิดบุญกุศลในปัจจุบันนี้แล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลในอนาคตด้วยการอบรมไตรสิกขาเพื่อความถึงพร้อมแห่งสัมปทาทั้งหลายก็คือศิลธรมปทาจิตธรรมปท า, าแล้วก็ปัญญาสรรมปทาก็ขอให้ประชุมโพธิปัจจะธรรมเป็นมัคคะสมังคีตะรู้อริยสัจ ส, สี่เป็นสาวกของพระธรรสัมพุทธเจ้า ในการอันใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ